อจะถามอะไรอ่ะําให้หลวงตาอธิบายค่ะที่ว่าหลวงปู่ลีอธิบายว่า จิตรวมใช่ไหมคะหลวงตาจิตรวมจนเหมือนเล็กจนเหมือนหัวเข็มหมุดนะคะแล้วให้เอาลมจี้เข้าไปตรงเนี้ยคะ่ะเหมือนการอ่านแผ่นนะคะที่ว่าให้ใช้พลังลมจี้เข้าไปที่จิตรวมตรงเนี้ยคะ่ะแล้วก็ออยากจะได้ยินก็ได้ยินใช่ไหมคะหลวงตาอยากจะเห็นก็จะได้เห็นนะคะ แต่วก็มันมันไม่ไม่ต้องไอ้นั่นแล้วคือว่าพวกที่ฝึกหัดใหม่ฝึกหัดใหม่ต้องทำอย่างนั้นี่ลคืออยากจะรู้เห็นอะไรก็คือไอ้จิตมันรวมอะไรขึ้นมาก่อนไม่ใช่ว่าเอาอะไรเป็นเครื่องล่อจิตแล้วก่อนพออะไรเป็นเครื่องล่อจิตปุ๊บจิตมันก็จะสงบอยู่ตรงนั้นอยากจะรู้เห็นอะไรก็อธิษฐานขึ้นมาคืออยากจะรู้เห็นอะไรก็ตั้งปรารถนาขึ้นมาว่าจะรู้เห็นอะไรมันก็รู้เห็นอะไรขึ้นมาได้เลยคือเอาอะไรมาตุกเป็นตัวล่อให้จิตมันเป็นตัวล่อจิตไปตรงนั้น อยากรู้อะไรก็รู้เห็นไปเลยอย่างเงี้ยคืออันนั้นได้ฌานสี่แล้วนะเข้าได้วิโต ว, วิจารปิติสุกุเบขาไปไปถึงฌานสี่แล้วแล้วก็เวลาจะรู้เห็นอะไรก็มามาเข้าอยู่ที่ปิติทรงอารมณ์ปิติคือต้องเข้าชํานานการเข้าชํานานเรียกว่าวสีการเข้าให้ํานาญแล้วก็พอเข้าแล้วก็ทรงทรงไว้ให้ชํานานคือทรงไว้ทรงทั้งนิมิต นิมิตอย่างเช่นยเราจะรับสาพ่อแม่หรืออยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรละเราก็กําหนดสิ่งนั้นขึ้นมาให้ในใจของเราแล้วก็เข้าชํานาญกําหนดชํานาญเรากําหนดอะไรขึ้นมาเราอยากจะรู้อะไรเราก็กำหนดสิ่งนั้นพวกบกากําหนดได้เลยเช่นเราจะเชื่อพ่อแม่เราก็กาหนดหน้าพ่อแม่เราอยากจะรู้เรื่องอะไรอะเราอยากจะรู้ในในอดีตชาติของตัวเราอยากจะรู้อดีตชาติของคนนั้นอยากจะรู้ อดีตอนาคตอยากจะรู้ว่าราจิตของเขาแล้วก็มันก็กําหนดเขาขึ้นมาเลยกําหนดตัวเราขึ้นมาก็คือมันมันก็ต้องหนึ่งกำหนดชํานาญเข้าชํานาญนะเข้าเข้าเข้าชานํานานแล้วก็ทรงระหว่างที line, so, I well, I ่ตัวที่มันอะไรสาลิสก็อยู่ที่ปิติลองเข้าเข้าชานแต่ชานเนี่ยมันรู้เป็นหนึ่งนะชานสี่ฌานเนี่ยรู้เป็นหนึ่งเพราะเคยเข้าถึงชานสี่แล้วแต่เวลาใช้จริงมันมันตัวที่เด่นเป็นสุดคือปิติเพราะปิติมันจะมีสร้ำซ่านขึ้นมาแต่มันใจมันมันเบา โล่งเบาสบายแล้วก็กําหนดสองจำนาญในแกกาหนดอะไรขึ้นมาเจ็ดจะกําหนักรู้เรื่องความเป็นไปของโลกความเป็นไปของอดีตอนาคตความเป็นไปของคนนั้นคนนี้เราต้องต้องกำหนดเขาขึ้นมากําหนดเรื่องของตัวเราก็ต้องกําหนดตัวเราขึ้นมาสามกำหนดแล้วก็ต้องใช้ใช้ชํานานพึองอัดใช้ให้ชํานานใช้ให้ชํานานคือหมายถึงว่าใช้อยังไม่ทันจบเลยไอที่กําหนดมาหายแล้วฌานก็หายเวลาทรงมาอยู่ ทั้งไอททรงก็มาอยู่ทั้งไอที่กาหนดมาก็ไม่อยู่แล้วจะไปใช้อะไรได้มันหายไปแล้วออาจะใช้หายไปไหนแล้ววะภาพที่กําหนดมาก็หายแล้วและไอที่ทรงอารมณ์ก็ไม่มีแห้งหายไปแล้วว่างเปล่าไปแล้วอ้าวทั้งกําหนดอารมณ์ก็ไม่อยู่ทั้งไอที่กาหนดนิมิตขึ้นมาก็ไม่อยู่เวลาจะใช่อธิษฐานอ้าวจะดูอะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยเพราะมันไม่มีแล้วจะรู้วาระจิตรูวอดีตรู้อนาคตระลึกชาติได้อะไรต่างอ้าวใช้ไม่ได้แล้ว เพราะว่าไอ้ตัวเป้าหมายเปนหายไปแล้วเหมือนปืนเราจะยิงไปอ้าวเป้าหายไ ป, ป, ปยไปปนหไปไนวะมันยิงเป้าไปได้แล้วเนี่ยที่ท่านบอกว่าให้กำหนดที่ใสต่ตรงเป้าคือปืนจะยิงอะไรเหมือนปืนจะยิง เ, เ, เ, เ, เป้าอะไรเพราหนดตรงนั้ น, นขึ้นมาแล้วก็มีมีความชํานาญในการพิจารณาคือว่าต้องพิจารณาละเอียดสมมุติว่าเมือ่อกี้เข้าชํานาญใช้กําหนดไว้ชํานาญแล้วก็ท่งไว้ชํานาญใช่ไหมในการใช้ชํานาญเนี่ย แล้วก็ที่นาพวกเนี้ยให้จานานคืออย่างสมมติว่าเทวดาสวรรค์เนี่ยสมมติเลยนะสวรรค์มีสิบหกชั้นอย่างใช่ไหมเวลาเราจะไปสวรรค์ชั้นไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคอดจิตออกไปงไม่จําเป็นเออเราก็กําหนดในจิตของเราเนี่ยสร้างลิฟขึ้นมาสิบหกชั้นลิฟเนี่ยเพราะว่าสวรรค์มีสิบหกชั้นเราก็ตั้งลิฟของเราเป็นตัวเลขสิบหกชั้นแต่ในลิฟของเราเนี่ยมันมีเลขสิบหกชั้น เรากำหนดอยู่ในชา้นนี่แน่ตั้งจิตลิฟของเราให้มีสิบหกชั้นแต่สิบหกชั้นเนี่ยซอยอย่างไหนเราต้องจำแต่ละชั้นให้แม่นว่าชาั้นที่หนึ่งเนี่ยเราเข้าอารมณ์ปิติเข้าอารมณ์ชาน้นชาน้นตีนี่นรวมปุ๊บแต่ตวเวลามัญใ ช, มใช้มันใช้ที่อารมณ์ปิติปิติละเอียดขนาดนี้หยาบขนาดนี้เราสามารถเห็นเทพเทวดาในสวรรค์ชั้ น, นที่หนึ่งแล้วก็เทพเทวดาที่อยู่ใกล้ตัวเราได้ทั้งหมดเรื่อเรียนเนี้ยมีใครมานั่งฟังร่วมกับท่าน ก็จะรู้เห็นได้เลยเพราะว่าเข้าวหยาบหยาบข้าวหยาบหยาบคือเปิดลิฟต์แกะชั้นที่หนึ่งเปิดประตูลิฟต์พวกไปชั้นที่หนึ่งอ่าเลยเจอพวกเทวดาชั้นหยาบหยาบพวกอุปัติกะที่อยู่รอบๆตัวเราเทวดาที่มาฟังฟังธรรมเราตอนนี้ถ้าเราเข้าผิดชั้นไปไงเหมือนเราเนี่ยจะไปหาเพื่อนในกรุงเทพที่ตึกเขามีสิบหกชั้นแต่เราจำไม่ได้ว่าเพื่อนอยู่ชั้นไหนหาตายเลยตอนเนี้ยเพราะว่าลิฟต์ในกรุงเทพเนี่ยตึมสิบหกชั้นกดผิด หาเพื่อนไม่เจออ้าวโผล่มานี่ยมันชั้นสำนักงานอะไรเนี่ยเอาเข้ามาลิปใหม่กดอีกอเอ้าโผล่ไปเอ๊ะตรงนี้มันสำนักงานอะไรแต่ละชั้นมันเป็นแต่ละสำนักงานแต่ละสำนักงานพรโผล่มาหาเพื่อนไม่เจอเต้องงงกันตายนี่เราต้องจําให้แม่นว่าเพื่อนเราอยู่ชั้นไหนก็คือเราจะไปหาพระอินใช่ไหมพระอินอยู่สวรรค์ชั้นไหนต้องจาให้แม่นอ๋อเราต้องเข้าขนาดนี้ในชั้นไปอยู่ชั้นที่สามหนูว่าไหนนะชั้นที่สามระดับสามอารมณ์ละเอียดขนาดสาม เราก็เจอกับอินได้เราที่ฐานจิตปุ๊ขอพบพระอินหน่อยเข้าชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หก ช, ช, ชั้นที่เจ็ดชั้นที่แปดชั้นที่เก้าชั้นที่สบชั้นที่สิ็ดชั้นที่สิบสองถ้าจะเจอพระพรหมเนี่ยเราต้องเข้าถึงละเอียดถึงโอ้ยเป็นแบบรูปของพรหมจะเป็นแป้งเลยละเอียดจะเป็นแป้งฝุ่นอะแป้งแปผนเค้กแป้งแป้งผู้หญิงเป็นเนื้อละเอียดจิบเลยแต่ถ้าจะเข้าถ้าเข้าระดับสวรรค์นะต้องการจะไปสวรรค์ชั้นแก้ว ต, ต้นๆน่ะก็เหม ที่มาผสมน้ําแป้งเนี่ตอนไหนก่อนขายไปทุกถุงอ่ะอันนี้นก็หยาบหน่อยอารมณ์ละเอียดอารมณ์ปิติอารมณ์ชานก็ละเอียดหยาบหยาบแล้วก็วก็เห็นในธรรมดาได้แต่ถ้าโอ้โหไปเข้าถ้าขนาดละเอียดยิบเลยเหมือนแป้งแป้งุ่นที่ย่หอดีๆจนโอ้โหละเอียดยิบมองชั้นล่างมาเห็นเลยเราจะมองเห็นอ้าวแต่ไปขึ้นถึงสวรรค์ชั้นสูงแล้วมันก็เลยไม่เจอเลยเปิดลิฟต์ออกมาไม่เจอพวกที่เราจะไปอ่ะสวรรค์ชั้นต้นๆไม่เจอเลยนุ่นไปเจอพวกพรหมนู่น หรือไปเจอชั้นดุสิตนู่นอา้าวมันไปนคนละชั้นไปนู่นเนี่ยหรือว่านู่นเข้าไปถึงอาลูกนู่นไปอาลูกอา้าวไม่เจอใครเลยไปอาลูกไปถึงอาลูกไม่เจอใครเลยนี่คุณต้องจำไม่ได้ที่หกชั้นฟ้าเนี่ยอตัวนี้มันต้องเข้าบอลลี่เข้าเลียงเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงใจงในใจเนี่ยเอ้ยมันละเอียดเกินไปไปมองไม่เห็นไปเอามัไปถอยลงมาหน่อยเออเห็นอ่ะต่อไปเออเข้าอยากไปจะ จะไปเห็นละเอียดมองไม่เห็นเอาต้องขยับเข้าไปอีกขยับไปสูงไปอีกอันเนี้ยต้องเป็นคนที่โอ้ละเอียดรอบคอบมากเลยละเอียดยิบเลยถึงจะสามารถแยกในเนี้ยเป็นสิบกชั้นได้เพราะว่ามันไอเป็นนามธรรมไงมันไม่มีรูปเว้ยไม่มีรูปธรรมมันต้องแยกอารมณ์ในจิตละเอียดขนาดนี้นะพลุขัน้นเปิดออกมาเนี่ย อ้าวแค่ละเอียดพวกนีいい้ยมองไม่เห็นแล้วยับๆมองไม่เห็นแล้วอ้าวไปชั้นผิดชั้นอ้าวไปสูงก็มองไม่เห็นมองพวกชั้นสูงก็ไม่เห็นมองชั้นล่างก็ไม่เห็นมันจะเห็นเฉพาะชั้นที่เราออกมาเนี่ยในในชั้นที่ระดับใกล้เคียงกันถึงจะมองเห็นแต่พอชํานาญแล้วเนี่ยที่หกชั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในใจอ่ะอยากจะรู้อะไรมาปุ๊บก็รู้เลยอยากจะรู้อะไรปุ๊บปุ๊บมัรู้เลยมันไม่แต่มันชํานาญแล้วแต่ต้องใหม่ๆต้องฝึกแบบเนี้ยฝึกแยกอารมณ์ละเอียดแยกอารมณ์ละเอียดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาฝึก อย่างอย่างพวกพี่นั่งฝึกกันอย่างเงี้ยอ้าวมีใครมานั่งพนกับเราบ้างเนี่ยนอกจากพวกเราแล้วมีใครมานั่งพนกับเราบ้างอ้าวเขาก็บอกว่าโอ้ h, มีนี่มีอดีตมังรไทายกเก่าเนี่ยตายแล้วไปไปไหนแล้วมานั่งอยู่ด้วยเนี่ยพระกมะพาดไหลเนี่ยนั่งนั่งไหนนั่งอยู่ตรงนี้แต่เวลาบอกเนี่ยให้ซ่อนกันไว้ให้ให้จดไว้ก่อนห้ามบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมั น, ม, นมันตามกันอ้าอุ้บไปก่อนอ้าวเดีจบไหมยังจบแล้วอ้าวบอกมาสิ อ่าคนนี้แม่คนนี้ก็เห็นเนี่ยมักรไทายกเก่าภากมาภาบามนั่งอยู่ตรงนี้มานั่งอยู่ใกล้ตรงนี้แล้วคนอื่นละเห็นเหมือนกันหมดเลยอ่าใช่ใช่ลูบราบยังไงเราก็ถามคนอื่นมาเห็นไหมเห็นแล้วมักรไทยยกนั้นลูบราบยังไงก็ถามไปถามมาเออเหมือนกันทุกคนเห็นว่ามังกรไทายกหน้าคนนี้ทุกคนเห็นหมดแล้วนอกจากมักรไทายกแล้วคุณเห็นใครอีกไม่เห็นแล้วเอาคนที่สองคนที่สอ ง, สองบอกนอ ก, กาาาจากมัรไทายกแล้วยังเห็นพวกที่มีหัผ้าสไบเสียมีดอกไม้ขัดหูเนี่ยสวยๆมานั่งอยู่ด้วย อ้าวเขา ด, ด, ด, ดูเห็นไว้อะดูสิอ้าวเขาก็เห็นอ้าวเหมือนกันอ้าวคนที่สามโอยนอกจากนี้แล้วนู่นยังมีแต่งกายงดงามกว่าเนี่มาจากสวรรค์ที่สูงกว่าแต่คนที่หนึ่งสองไม่เห็นเพราะว่าเข้าเข้ า, ข า, ย า, าหยาบกว่าเมื่อเห็นหยาบเสร็จแล้วก็เข้าละเอียดไปอีกเห็นละเอียดเข้าหยาบแล้วก็เห็นละเอียดไปอีกเข้าหยาบไปเห็นละเอียดไปอีกมันก็เลยเห็นละเอียดมากขึ้นเห็นไปอีกเห็นไปอีกหหลอกโอ้ยไม่ใช่ว่ามีแค่นี้หรอกนูน่นมันไต่ไปหมดเลย เนี่ยบนต้นไม้ก็เตม็มไปหมดเลยนี่เขาบ่มฟังแทบจะโอ้โหทั่วไปหมดเลยอ่ะอันนี้เข้าละเอียดพี่เข้าละเอียดพี่เป็นคนที่โอ้โหแบบว่าเปคนละเอียดรอบครอบมากเลยเห็นแค่นี้ไม่พอเข้าอีกเห็นแค่นี้ไม่พอเห็นแล้วก็จดจําไว้แล้วก็เข้าละเอียดไปอีกเห็นไปอีกให้อีกจนถึงขั้นที่สูงที่สุดในการเห็นคือเห็นทุกปรมาณูเลยเนี่อที่ปรมาณูเห็นทุกปรมา ณ, ณ, ณูเลยนะในอากาศเนี่ยในอากาศที่เราเห็นเป็นความว่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันเหมือนรวงพึ่งเลยเหมือนช่องของลวงพึ่งเป็นช่องช่องช่องช่อช่องช่องเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นชั้นบรรยากาศอะมันไม่ใช่อวกาศถ้าคุณไปขึ้นไปในอวกาศเนี่ยมันจะมีแต่ความว่างแต่นี่มันชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมป็นมวลของเป็นมวลของอากาศเป็นมวลของปรมาณูมวลของโมเลกุลมันเลยไอ้มวลของโมเลกุลเนี่ยที่ก็อะไรเป็นเป็นไอ้กลมๆที่มาต่อกันเป็นก้อนเป็นก้อนกลมๆกลมๆที่เราเราเห็นนี่เขอะไรเขาเรียกอะไรนะอะไรยีนนะยีนใช่ไหมอ่ะ ยีนนเมื่อที่ยินนิ่เป็นเส้นๆหรือเปล่าแหละที่มันเป็นโมเลกุล่ะโมเลกุลไอ้กลมๆโมเลกุลที่มันมาต่อกันเป็นเป็นช่องช่อช่อช่องเป็นลูกกลมๆในกลมๆแล้วระหว่างลูกกลมๆมมีช่องคล้ายๆหลังพึ่งเนี่ยทุกปรมาณูเลยอยู่ในอากาศเนี่ยเป็นอย่างงี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วในในหนึ่งช่องของไอ้ปรมาณูเนี่ยของหลังพึ่งเนี่ยโอ้โหเทวดาอยู่เต็มเลยเทวดาที่มาฟังธรรมเนี่ย อยู่ทุกหลังช่องของหลังพึ่งเนี่ยที่ก็ถามหลวงปู่ดูนาตโลว่าโอ้โหหลวงปู่อูลนตโลเล่าว่าตอนที่พุทธเจ้าท่านแสดงธรรมโดยเฉยพาะมหาสมัยสูตรเนี่ยโอ้โหเทวดามากันเนี่ยทุกโกรธโลกธาตุมากันไปไม่หมดเลยกี่ล้านโกรธเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยโอโ้ที่ก็ถามบอกว่าโอ้โหหลวงปู่แล้วจะมีที่อยู่เหรอจะมีที่นั่งพอเหรอเนี่ยเยอะขนาดนั้นเนี่ย มาหมดเลยอ่ะทุกชั้นฟ้าเนี่ยมาหมดเลยอ่ะโอยเทวดาก็เป็นต้องการกินเนื้อทีมากในทุกปรมาณูเนี่ยของมวลอากาศเนี่ยเป็นช่องช่องช่องช่องช่ อ, ช, อช่องเนี่ยอยู่ได้แปดองค์เทวดาอยู่ได้แปดองค์เต็ไมไปหมดเลยทุกช่องเลยเออจะใครเห็นแบบเนี้ยเนี่ยคือที่สูงที่สุดในบรรดาของจิตรู้จิตเห็น ไอ้ความละเอียดอ่อน ท, ท, ที่ที่ลับถามเนี่ยคือเพราะว่าติแล้วท่าตรงนี้เราก็เลยอธิบายตรงนี้แหละชานก็สีจัมบัตลเนี่ยคือนอกจากวสีในการเข้าวสีในการที่ว่ากําหนดขึ้นมาวสีในการในการใช้วสีในการพิจารณาแยกละเอียดแล้วแล้วก็มีวสีในการออกนะพอพอใช้เสร็จพวกกออกนะออกให้เป็นนะไม่ออกเยอะใหญอยู่ น, นั่นแ้ยไม่อยากออกแช่แต่นี้แช่เลย ตายเป็นแช่ไม่เป็นชานแล้วเป็นแช่ก็รละอะไพไม่ออกใช้แล้วไม่ออกแต่นี้แช่หรือไม่ไปยังไงเลยตอนนี้ยถึงตายได้นะแช่พวกเนี้ยเออมันก็เลยแช่พอแช่นานๆกข้างทีเย็นเป็นน้ําแข็งแล้วตายเลยน้ำตัวมปอดดันต้องออกเป็นนะพอใช้จบปุ๊บต้องม า, อ, าอะไรอวอรสลัดทิ้งเลยหลุดป อ, อกจากใจเลยแล้วกลับมาเป็นปกติกลับมาเป็นคนเหมือนคนปกติทั่วไป ที่ไม่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นแต่เป็นปกติแบบสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่ไม่อยู่ในฌานตลอดเวลาจะใช้ก็ใช้ได้ดังใจนึกออกออกได้ดังใจนึกจะกาหนดก็กำหนดได้ดังใจนึกจะรู้เห็นอะไรก็รู้เห็นได้ดังใจนึกจะเข้าระดับชั้นไหนก็เข้าได้ดังใจนึกอันนี้มันคือเรียกว่าเป็นวสีวสีคือวสีในการใช้ในการเข้าในการออกในการพิจารณานี่เรียกวสีแต่ความต่อเนื่องเรียกว่าสมบัติ อความต่อเนื่องการใ RIGHT ช้ย yani well. อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทรงไว้อย่างต่อเนื่องเรียกว่าสมาบัติคือต้องการจะใช้นานแล้วเท่าไหร่เช่นว่ามันยังใช้ไม่เสร็จสักทีอ่ะมันยังดูยังรู้เห็นไม่จบเนี่ยอ้าวหายซะแล้วไอ้ที่กาหนดไว้ก็หายอารมณ์สมาธิที่ที่ทรงไว้ก็หายหมดแล้วแล้วมันใช้อะไรได้อย่เงี้ยมันไม่เป็นสมาบัติสมาบัติแปลว่าต่อเนื่องจะใช้อย่างไรก็ให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องจนจบเสร็จงานที่ใช้กระจบก็ออก ออกนั้นวสีกับสมบัติเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันแน่แต่วสเีเขาเขาเรียกว่าตอนเข้าตอนเข้าตอนใช้ตอนพิจ า, ารณามีความฉลาดในการเข้าใช้พิจารณาจําได้จดจําได้ตอนออกแต่ถ้าสมบัติเนี่ยเขาใช้เรียกความต่อเ น, นื่องการทรงวิญญาณต่อนเนื่องเรียกว่าสมบัติสมาธิฌานสมบัติวสีเนี่ยเราก็พูดจนจบหมดแล้วสมาธิฌานก็ฌานก็เข้าใจไหมฌาน แล้วก็สม บ, บัติว ส, สีเออสม บ, บัติคือความต่อเนื่องว ส, สีอ่ะคือสามารถเข้าออกใช้ได้ดังใจนึกเรียกว ส, สีเลี้ยงชานได้เลี้ยงเรียงชานได้แล้วก็อเขา้าเข้าได้ออกได้ใช้ได้อพิจารณาจนจําได้แต่นี้เราพูดมาตั้งยยยเยอะๆลราพูดผลทั้ำมันหมดเลยแต่จริงๆอ่ะวิธีการเข้า ในเรื่องการเข้าฌานวิธีการเข้าฌานก็ต้องอย่างนี้แนะคือต้องมีเครื่องล่อซะก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ใจมีเครื่องล่อขึ้นมาอย่างหนึ่งวิธีการเข้าสมาธิระดับฌานก็คือให้จิตใจมีเครื่องล่ออะไรก็ได้ที่เราเลือกเอาแล้วมันอมีเครื่องล่อแล้วมันเราเลือกที่มันถูกเจริญนิสัยเราอ่ะหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานที่ขุนเจ้าอนุญาตอ่ะหนึ่งในสี่บกรรมฐานที่ได้ทั้งหมดแล้วไม่ผิดเราเพราะว่าขุนเจ้าอนุญาตไว้สี่สิบกรรมฐานเนี่ยเราเลือกเอาอย่างหนึ่งที่เราถูกจริญนิสัยที่เราชอบ เนี่ยแต่ในสายกรรมฐานพ่อแม่ครบอาจารย์ท่านใช้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโตพุทโธพุทโตใช้พุโธพุโตพุโตแล้วก็ให้สมาพิเนี่ยคือให้ให้สติเนี่ยสติเนี่ยมันควบคุมจิตให้มันมันจะพุ้งซ่านให้มันแน่วแน่อยู่กับคำปฏิกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไอต่อเนื่องไม่ขาดสายนะสมมต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงเดี๋ยวไอคำปฏิกรรมพุโธมันก็หายไปจิตมันก็เออหายไปจิตมันก็สงบสงบแล้วก็ มันก็เงียบรู้อย SO e. ูここ <un> ่ในความสงบเลยเนี่ยจิตมันก็นิ่งเงียบไปนะเงียบไปแล้วก็ในในระหว่างนี้อาจจะเกิดนิมิตนะอาจจะเกิดนิมิตอะไรแล้วแต่ว่าแต่จะหลงนิมิตนะแค่รู้ไดเฉยระหว่างเนี้มันมันมีมันมีมันมีตัวแยกมีรายละเอียดเยอะบางทีก็ระหว่างที่เราพูทโต้ผูโต้ผู้โต้ผู้โตไปจิตมันรวมปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันเหมือนคนตกหลุมอากาศนะจิตรวมปุ๊บเข้าไปเหมือนเหมือน มันตกเหวหัวทิมลงแบบเงี้ยจิตมันรวมไปโ น, น, น่นไปเงี้ยคอยแต่ถ้ามันรวมอย่างเงี้ ย, ยนะอ ย, อยี๋ยวไปยื้อนะเดี๋ยวไปยื้อถ้ามันจิตมันไม่คอยรวมเงี้ยเดี๋ไปยื้อถ้ายื้อแล้วเสียหายนะแล้วบางคนจิตรวมแล้วจะออกมาคุยกับคนนะั้นคุยกันนี้พราะจิตมันจะรวมแล้วอา้าวจะลุกมาถามนั่นลุกมาถามนี่จะขยับตัวไปทํานู่นทำนี่พอจิตมันจะรวมแล้วต้องไม่ขยับอะไรไม่พูดอะไรไม่ปล่อยฟุ้งซ่านอะไรเลยต้องพอจิตมันจะรวมก็ต้องขยุก แลก็ปล่อยปล่อยเรียกว่าตกไปได้ปล่อยจมเลยตกไปได้ปล่อยโจนไปปล่อยก็ปล่อยมาเลยปล่อยขาดเลยนั่นก็เหมือนกับอะไรละ่ะน้ําไหลลงลงทออ่อลวกลวกหายไปเลยเงียบ น, นั่นแหละมันก็บึ้บขึ้นมาเนี่ยสว่างสวัยปิติสูรรรส้ซ้านซาบซ่านกายเบาใจเบามันห่อเอินเดินอากาศได้ไม่ต้องวุ่นวายตีโพดีพานะก็แค่แ ม, มิสติไว้มันงคงแค่รู้แค่รู้อย่างนี้แหะ ไม่ต้องบริกรรมขึ้นมาใหม่แล้วเพราะว่าเอาปิติมาเป็นเครื่องล่อแทนแล้วตอนนี้เครื่องล่อแทนบริกรรมแล้วเอาปิติคือเวทนาเนี่ยเอาเวทนาปิติมาเป็นเครื่องล่อจิตแทนยันฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นพอสติเนี่ยควบคุมจิตให้มันอยู่กับปิติให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยเดี๋ยวปิติมันก็โอ้ยล่นล่นขึ้นล้นขึ้นล้นขึ้นล้นขึ้นล้นขึ้นล้นขึ้นแล้วล้นที่สุดแล้วมันไปไหนมันก็ถึงที่สุดของการล้นก็วบหายไปอ่ะ เพราะปติดับไปเกิดสุกสุขสุขสุขสุขุจนล้นตีตื้นออกมาจากภายในน้ำตาเออขอยปหมดล้นล้นล้น้นตีตื้นออกไปสุกสุขุขุขล้นในชีวิตที่เกิดมาไม่เคยเจอความสุกอย่างนี้มันทําไมสุขแบบนี้สุกแบบนี้สุขแบบนี้ในใจมันสุกสุขสุขสุขจริงๆอ่ะมันตีตื้นเกิดมาตีตื้นกิดมาทีตื้สุกสุขจะล้นล้นล้นนล้สุขก็หายเวิร์บเหลือแต่อุเบกขาสงบไม่มีสุขไม่มีทุกข์ กวงวงหัวจดเท้ากวงหวงเลยข้างหน้าเหมือนตัวเราข้างตั้งตั้งตัวเนี่ยกวงหมดเลยเหมือนคนยืนข้างหน้าเรามองมองทะลุตัวเราไปเห็นคนข้างหลังคนข้างหลังเรายืนมองทะลุตัวเราไปเห็นคนข้างหน้าเลยกวงวงไปหมดเลยเหมือนตัวเราเนี่ยไม่มีตัวเลยกวงหวงไปหมดเลยในอุเบกขาแล้วหัวจดเท้ากวงหวงเลยเหมือนไอ้คนที่ยืนกับหัวกับปลายเท้าของเรามั็นมองทะลุถึงกันหมดเลย คือตัวเราเหมือนไม่มีอะไรเลยมองทะลุเป็นแก้วไปเลยเนี่ยคืออุเบกขาแล้วก็เงียบทั้งกลวงด้วยสว่างด้วยและทั้งเงียบสงบเหมือนจระเข้กบดานด้วยมันมีลักษณะรวมๆกันอย่างนั้นเนแล้วก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นเนี่ยนานเท่านานไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็บนจระเข้กบดานทั้งกลวงโว ทะลุหน้าทะลุหลังพวงวงหัวจุดเท้าแล้วก็สว่างสวยแล้วก็เงียบสงบเมืนจะระเข้กบดานไม่สุกไม่ดุแล้วก็มันจะอยู่ขพาะนั้นจน ก, กําลังของมันน่ะเต็มที่แล้วมันจะค่อยๆลอยตัวขึ้นเหมือนได้จระเข้มันลอยตัวขึ้นเหมือนอยู่น้ําเมื่อมันมีกําลังหมด ก, กาลังของสมาธิแนละ้วมันจะแม้แต่อุเบกขาชานมันก็ไม่เที่ยงมันก็ค่อยๆถอนตัวขึ้นมาเป็นปกติ ไอ้รอยต่อตัวนี้สําคัญมากเลยพอเริ่มถอนตัวมาเป็นปกติแล้วรอยต่อตัวนี้สําคัญคือบางท่านธมีบุญวาสนาบา ร, รมีเก่าทั้งด้านกาพิจยีนากายเน่าตา ย, นตายนเน่าเปลือยผูพังท่านกันน้อมเลยน้อมเห็นตัวเองอ่ะตายนเน่าเปลือยผูพังสลายแยกออกไปเน่ า, นาคืขึ้นไปเน่าเน่าไปแล้วก็จนแห้งแห้งไปแล้วก็เดือแต่โครงกระดูกแล้วไปไฟเผากลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ กลายเป็นความว่างเปล่าหาตัวตนไม่เจอถ้ากันน้อมแล้วน้อมอีกน้อมแล้วน้อมอีกน้อมแล้วน้อมอีกเห็นจะตัวเราเน่าตายเน่าเปื่อยผูพังสลายไปแล้วก็เป็นเอาไปเผาไฟแล้วแต่คงมาดูเอาไปเผาไฟการเป็นจิต เ, เท่าทุรีแล้วก็สลายการเป็นความว่างเปล่าไปก็หาตัวตนไม่เจอก็ลุกอรรรานไปนะเนี่ยลุกอรรรานไปเนี่ยตรงเนี้ยก็น้อมข้าเนี้ยแล้วน้อมทีก็ที่เราพูดเนี่ยเราพูดแบบสรุปสรุปแต่จริงจริงมันมีรายละเอียดเยอะคือว่า ตอนที่มันถอดออกมาจากชานแล้วเนี่ยเวลามันน้อมเนี่ยบอทีแต่มันน้อมในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ออกไปมันไม่ออกไปนอกร่างกายเราหรอกมันน้อมแง่น้นแง่นี้มันทีก็ควักลูกกระต่ายออกมาให้ตาโบควักจมูกควักปากอข้มาให้โบหมดแล้วแต่หัวกระโหลกพวงโบแล้วก็เห็นแต่กระหลกซีสะแล้วก็ไฟเผาบางทีก็ลอกหนังออกลอกหนังออกค่อยๆลอกหนังออกเพราะว่าจิตมันเป็นจิตมันน้อมได้แล้วแต่เนี้ยมันเป็นนิมิตชัดมันได้ได้ชานแล้วมันก็ลอกเนี่ยลอก ถึงไม่ไม่ได้ฌานก็ว่าจะว่าต้องได้ฌานเพื่อนอนชัดนะคือแค่แค่อปุปจาระแค่คณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิก็น้อมได้แล้วไม่ต้องถึงขั้นอัปปนาสมาธิเพราะอัปปนาสมาธิมันเป็นการเข้าฌานแหละแต่ถ้าเป็นฌานแล้วมันก็มันก็นอมได้ดีดีแต่ไม่ถึงต้องฌานก at ็น้อมได้แค่อุปจารสมาธิก็นอมได้แล้วก็นอมเห็นตัวเองตายหน้าเป่วยบูพางตายแล้วก็ยายไปบาทีก็คว้าลูกตาออกบางที <IP. S 2> <m any S 2> ่ก็ผ่าด้านด้านผ่าด้านยาวบางที่ก็ผ่าตัวเราด้านขวาง บาที่ก็เห็นตัวเราเน่านอนขึ้นอืดเลยบางทีเราก็ตัวเราไปเทียบกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราไปเห็นมากนอื่นที่เราไปเห็นมาก็ตายเน่าเปื่อยผุพังไอ้ซีนอมิที่เก็บตกไปทันเน่าไปหมดอ่ะบาทีเราก็ไปดูในเข้าไปอินเทอร์เน็ตพิมพ์เข้าไปในมรณานุสติกันเน่าเต็มไปเลยแล้วก็อันนั้นอ่ะน้อมมาแล้วก็เข้ามาเป็นตัวเราเน่าอย่างนั้นอ่ะเน่าเปื่อยผุพังสลายเป็นเป็นธุรีไปเห็นชัดชัดชัดชมันก็จจิบก็พุงไปวางพุงไปวางพุงไปวางพุงไปวางพุ่งไปวาง มันก็วางบึ้มไปวางผมปล่อยวางปล่อยวางไป่อวางจิตมันผลรับควางจิงไม่ไหวพป้งไปวางเหมือ น, นกับไอ้โลกาาธาตุข้างในข้างนอกมันมันทะลุไปหากันมันตกระลึงไปเลยบึ้มไปทะลุไปมันระเบิดจากโลกาาธาตุภายในแล้วก็ตกตะลุงอึ้งไปเงี้ยแล้วก็หาตัวตนไม่มีนะเอ้ไอ้ตัวหายไปไหนไม่มีหรอกไอไอ้ตัวก็หายไปเลยหายตัวไป อายตัวตนไม่มีแขนขาไม่มีหายตัวไปแล้วก็น้าหนักไม่มีเพราะมันหายตัวแล้วเนี่ยมันปล่อยวางหมดตัวก็ไม่มีแขนขาหายไปแล้วน้ําหนักหายไปแต่ถ้ามือจั บ, บดูก็ตัวก็มีอยู่จะไปชั่งกิโลเอ๊ะน้ำหนักก็ยังมีอยู่แต่เวลาพอออกมาจากกิโลเหมือนคนไม่มีน้ําหนักเหมือนลอยไปเดินไปไหนก็มาไหนก็น attorney, ลอยไปเงี้ยไม่ได้เดินไปลอยไปแล้วก็ร่างกายก็ไม่มีแขนขาก็ไม่มีก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยที่ไม่ที่รับแบบเนี้ยไม่ได้ ไม่เคยเดินไปไหนไม่มีตัวรู้สึกไม่มีตัวมีน้ําหนักเนี่ยรับไม่ได้เป็นอาทิตอาทิตย์แต่ว่มันจะเริ่มึเริ่มชินกับสภาพอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีน้ําหนักไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าและในความว่างเปล่าเนี่ยมันก็เห็นจิตเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่แสดงกริยอาการในทุกขณะจิตปัจจุบันเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนแสงยิงห้อยในอาการ หรือจ um ิตเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนกับฟ้าแลบในท้องฟ้าหรือเหมือนกับที่พระอรหันที่สมัยพุทธกาลที่เป็นรอรอจะไปถามพระเจ้ารออยู่ใต้ขันทัตวดีพระเจ้าเอาไปเปรียบเทียบกับเอาน้ำฝนที่จากชายคาของพระเจ้าที่ไหลมาโดยกระทบพื้นน้ำข้างล่างแล้วแตกเป็นปองน้ําเป็นตอมน้ําแตกแตกแตกแล้วก็ก็ดับไปแตกแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดดับไปดับไปดับไปเกิดแล้วดับไปเอาเทียบกับอาการของใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดเองดับเองอ่ะเกิดเองดับเองดับเองอ่ะ สิ้นความยึดมั่นถือบ้านในจิตเห็นว่าตอนแรกเห็นว่ากายไม่เที่ยงแล้วไม่เห็นจิตไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็ปล่อยวาจิตก็อีกทีหนึ่งก็บรรลุอรหันตเลยเนี่ยก็เลยอธิบายแล้วก็ลวดมาถึงนี่เลยแต่บางท่านมีบุญวาสนาบารมีสุในอีกด้านหนึ่งพอพ อ, อท่านจิตไปถึงสงบหน่อกันแล้วไปถึงเ อ, อุเวขาฌานแล้วเนี่ย พอจิตมันเริ่มพถอนออกมาเริ่มพอเริ่มจิตที่มันลอยตัวมาจนตอนจะเป็นปกติมันเริ่มมีความคิดมีความคิดแต่ท่านไม่ติดไปกับความคิดจิตมันเริ่มมีความคิดเริ่มมันแต่ความคิดทั้งหมดไม่มีใครไปบรบเ่ยไม่มีใครไปรองรับเพราะว่าท่านปล่อยวางมาแล้วไงเวทนาไม่เที่ยงเวทนาแต่พิติตรูุเบกขาท่านเห็นว่าไมเที่ยงมันหลุดไปหมดแล้วเวทนาไม่ได้เข้ายึดเวทนานะ แล้วก็มาถึงจิตแล้วแต่เนี้ยกายในกายกายในกายเห็นกายในกายคือลมหายใจมาแล้วไงอนาปาสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทที่เราทําทําพลังลมปานก็ทําอนาปาสติมาแล้วก็มากายในกายเราเราลมหายใจเขาออกพลังลมปานต่างๆแล้วอนาปาสติเราทํามาแล้วกายในกายแล้วก็มาเวทนาเวทนาก็พิติสุคุเบขาในฌานเนี่ยเป็นเวทนาในเวทนาก็เวทนาทั้งหมดไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้พิติก็อยู่ไม่ได้สุก็อยู่ไม่ได้คุเบขาก็อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนหมด ก็เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นปกติไงพอเป็นปกติก็มาจิตเนี่ยจิตกับธรรมนะจิตในจิตเห็นจิตในจิตแล้วก็ทําในทำจิตในจิตเนี่ยจิตก็คือผู้รู้เนี่ยแล้วก็ทําในธรมก็คือสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้ก็คือตอนนั้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารนะภายในรู้ภายในไม่ได้หมายถึงภายนอกภายในก็คือทำมารมก็คือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันไอ้กายหรือคือลมหายใจมันก็เวทนามันผ่านไปแล้ว หรือไอ้เวทนาก็มันไม่เป็นผลไอเวทนาแล้วก็เหลือจิตก็คือความคิดเนี่ยความคิดความคิดต่างๆที่ไม่ได้คิดในเรื่องราวนะแต่คิดในเรื่องราวนี่มันจะหลงหลงไปแต่พวกที่มีกําลังของสมาธิมันแก่กล้าแล้วมันจะไม่หลงไปกับความคิดมันตอนที่ออกใหม่ๆมันใช่มันอยู่กับรู้ไอรู้เนี่ยไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ติดไปกับไม่เคลื่อนที่ติดไปกับความคิดมันรู้ชิกแต่พางท่านบอกว่าถา้ารู้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราอยู่กัในคิดแล้วเราก็คิดไปเรื่อย แต่ถ้าเห็นคิดเนี่ยเราจะไม่ติดไปก็จะเรียกอย่างนี้ก็ได้เรียกเห็นคิดเห็นคิดเห็นจิตมันคิดเห็นจิตมันคิดแต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปคิดแต่เห็นตัวเราคิดมันเห็นตัวเราคิดแต่ไม่ใช่เอาตัวเราไปคิดไอ้ตัวเราเนี่ยหมายถึงจิตนะไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นคนคิดจิตมันคิดแต่เราเนี่ยเป็นผู้รู้ไม่ไปไม่ไม่เข้าไปเป็นคนคิดก็เห็นตัวเราเนี่ยคิดที่มันบ่ะที่รเอาภากันพูดอยู่ในใจ มันมันมันชุบชิบมันพากันพูดอยู่คนเดียวปรึกษาตัวอยู่คนเดียววิสตงวิตงวิเคราะห์วิจารวิจัยอะไรในใจอ่ะยุกมันจะออกไปคิดเป็นเรื่องเวลาหน้คิดเป็นเรื่องราวคือเอาตัวเราไปคิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอันนี้ไม่ได้มันไม่ได้เอาตัวเราไปคิดเป็นเรื่องเวลาหรอกถ้าเอาตัวเราไปคิดเนี่ยเป็นเรื่องเวลาอันนี้มันเห็นตัวเราเนี่ยพูดอยู่คนเดียวอะไรมันไม่รู้สารพัดจะพูดมันเห็นอะไรได้ยินอะไรมันได้กินมันริมรถมันสัมผัสอะไรมีอาการยังไงก็ตามแม้แต่่่่่่่มมมมมมมัััันนนนนออออกกกกกกาาาาาหๆเเเเีีียยย็็พูดววรรืงบณทผ พูดอะไรมันก็ไม่รู้เฮ้ยอย่างเี้เราไม่เคยเจอเว้ยอันนี้มันเกิดอะไรวะอุ้ยเราผ่านมาได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็มีบุญบารมีมาเมื่อเกิดนั้นเนี่ยอะไรเยอะแบบก็พูดมาอยู่คนเดียวเนี่ยเราศาสาร์ทําได้เองนี่กับปูเราก็เกิดมามีบุญวาสนาบารมีหลายนั้นเนี่ยเราทําได้เลยก็พูดมาอยู่คนเดียวเนี่ยเหมือนกับอะไรพูดอยู่คนเดียวอ่ะพูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นตัวเราพูดอยู่คนเดียวแต่เราไม่ได้เป็นคนพูดเราเป็นผู้เห็นเห็นตัวเราพูดแต่เราไม่ไดด้้พููเเห็็นนปผ เห็นตัวเราพูดเอนีลยเลยการจต่มันไม่ยึดเไงไม่ยึดไม่ยึดไอตัวที่เราพูดเนี่ยเป็นตัวเรามันได้แต่สักแต่ว่าเห็นแล้วไม่ยึดให้ผู้เห็นเนี่ยเป็นตัวเราออคือไอตัวที่พูดได้เนี่ยคือขันห้าแต่ไอีที่รู้ว่าตัวเราพูดได้เนี่ยเป็นใจเป็นใจหรือจิตเดิมแพ้ไม่มีใครไปยึดทั้งไอไอขันห้าที่พูดได้แล้วไม่มีใครไปยึดถือไอไอใจที่มันว้างเปล่าที่มันไม่ปรากฏอะไรที่มันผู้รู้ผู้เห็นมันได้แต่ อาศัยรู้อาศัยเห็นกันอย่างนั้นเนี่แต่มันขาดคนยึดต <ý ben> <mar> <t> ัวเดียวเลยเรียกว่าสิ้นผู้เสวยเนี่ยที่เราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราทำปรากฏตอนที่ไปล้างเท้าท่านอะไปอาบน้ําสงน้ํำให้ท่านแล้วช่วยท่านล้างเท้าขัดเท้าเอ๊ะไปเมยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันทะลุไปหมดอย่างนี้เนี่ยทำก็ปรากฏแก่ใจว่าเป็นเพราะว่าท่านสิ้นผู้เสวยเพราอทำปรากฏแก่ใจเราว่าท่านสิ้นผู้เสวยแน่ท่านอะไรลูกตาบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ้นผู้เสวยแล้วทำก็ปรากฏแบบนี้ แหมดอกคําราชาสับเดียวมันคือสิ้นผู้กินอาการสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สิ้นกิเลสสิ้นทุกเขาเรียกว่านิพพานผู้ที่ถึงนิพพานแล้วเขาก็เรียกว่าพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นผมเหลืองหรือไม่ห่มเหลืองเหมือนพวกท่านทั้งหลายถ้าสิ้นผู้ยึดก็เป็นพระผ่านได้เป็นพระหลานได้เป็นพระเป็นพระที่ใจนะไม่ป็นพระที่กายพระที่ใจ